ทุกรายย่อมมีสาเหตุเกี่ยวโยงไปถึงกรรมในอดีตและมักจะเกี่ยวข้องกับพวกโอปปปาติกะเสมอตัวอย่างในคำพีก็มีเช่นพระภาหิยะซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระอรหันต์องค์นี้ยังไม่ทันจะได้บวชเป็นพระภิกษุก็มาตายเสก่อนโดยถูกแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งขิดถูกที่หน้าอกเบื้องซ้ายและถึงแก่ความตายทันที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 พวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เล ย, ยสิ่งที่เธอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทําไมมันกล้าะอะไรคนเหตุกคนใครที่ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทกต้องทนดูอะไรเหตุผล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 การส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับต่มั่นคง ก, การส่งผลของกันจะทำอะไรทำดีหรือไรคนนั้นคือกัน